فهم من الشيطان الرجيم، و ا ل ش م ستجري لمستقر الله، و ا ل ش م ستجري لمستقر ا ل ه ذلك تقدير العزيز ขแต่อาดะกาลอูรจุนีลอดี วะคุลุมฟَฟลิَีَ์สบَฮุนวะَะย์ตุลลาหุมَันนะฮَมْอั ا ذ ُรْ اتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم مثله ما يركبون. وإِنَّ َ شَأْنُ غ َ ر ُِ م ْ فَلَا ص َ ر ِ ي ق َ ح َ ل َ ه ُ م ْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ بسم الله م ا ل الرحمن الرحيم إن الحمد َ لله نحمده ُ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ِ أنفسنا ِ ومن سيئات أعمالنا م ม ي ه د ่งด ل a l ف ل ا م ض ل ل ه و م َ ا ي ض ل ل ف ل ا, إ ه ا د ِ ي ل ه وأشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك لما ت ا, أ, إ, أ لم الله ل ل ه ا ل تما تمن شري ما خلق ب سم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الس ال ا, إ, أ ل سميع عليم رضيت بالله رب و بالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء ا ل ك ب ر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihon yang beramal dan masuboh di masjid, di bahan Allah, yang rakyat yang lain. Pihon yang tindak, tafsir Quran, ajaran Quran yang nang di bahan Allah. Dengan kebaikan Allah Subhanahu Wataala. เราผ่านวันไีดุลอับฮามาเรียบร้อยแล้วในช่วงนี้เร่าช่วงอัยามุตตสรีกหลังจากวันอีดอีกสามวันหลังจากนมาตีเสร็จแล้วก็ให้เชือดกวนบานเรือว่วอันหนว่ามาอะไรกรุรอานอธิบายไงนะว่าอัมมาบินิไม่ใช่ อะไรนะดังๆนิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่ <im it> ใชฟอซอนลิลิร บ, บีกาวันฮารจงนมาศสองเราก็อัดน้ำมันอีดนะจ๊ะเมืเม่อ น, นมาศเสร็จแล้วเนี่ยภารกิจที่สองก็คือวันฮรเชื่อสัตว์พลีทํำกุฎบานล้วก็ทํ า, า, า ก, ทกันมาตลอดนะแล้วก็หลังจากเชื่อสัตว์แล้ววันอีดก็ หลังจากอีดอีกสามวันอีกวันวันเสาร์เนี่ยนะวันเสาร์อาทิตย์ตันนี้วันที่สองพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันที่เจ็ดวันที่สามหลังจากนมาดอัสรีก่อนมักรีบเนี่ยนะก็หมดหมดหมดเวลาอายามุตสริถ้าจะเชื้อเชื้อกลุ่บานก็เชื้อได้ตอนนี้พรุ่งนี้ได้อีกวันหนึ่งอย่าให้เลยมักรีบกาแล้วกัน แต่ี่หลังหลังนมาเนี่ยหลังนมาทุกครั้งเนี่ยให้เราตะ ก, กาวตกบีนี่เป็นความเมตตาของ AH อัลลอ์ยิงย่งใหญ่ทั้งเราได้นึกถึงอัลลอฮ์ในในเบอรมันในบ้านทาวในบ้นา น, บนเราเนี่ยในมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยกล่าวตกบีกันสาครั้งนะ il all อัลลอฮอักลอฮอัลลอฮฺอัอฮฺอัลลฮฺอัลลัลลอฮอัลลอัอัลลอัลลฮลฮอัออล Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله و ا ل อ ه أكبر Allahu akbar و الله هي รักครั้งเดียวของเราเนี่ยสามอันละจะเป็นหนึ่งขอเป็นเลขคี่ก่อนแล้วกันหนึ่งสามห้าอะไรเจ็ดเก้าอย่างนี้เป็นต้นไม่มีปัญหาใช้ได้หมดอขอคุณลลอนะครับพี่น้องที่เราได้ทบทวนกุราน นี่อาทิตย์ละครั้งใช่ไหมล่ะอาทิตย์ละชั่วโมงอะ น, นะวันนี้มาถึงสูรยาซีนนะครับัมดุลินะนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์นะอัลลอ์ให้นะนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ความสามารถของเรานะรู้แล้วเราสามารถมีที่ตื่นนอนมาเดินมามัสยิดเนี่ยนี่แล้วก็คนฉลาดเนี่ยต้องโยงกับอัลลอ์ให้หมดอยากเป็นคนฉลาดนหะมผมอ่านกู่นอ่านพบนะ คนฉลาดในภาษาอาหรับว่าภาษาคุ้อ่านว่าอูลุลอัลบาอูลุลอัลบาแปลว่าผู้ที่ฉลาดผู้ที่ฉลาดเนี่ยข้อที่หนึ่งนันอยู่ในสุราบากกรอนะวัตตะกูนิยาอูลิลอัลบาถ้าเป็นคนฉลาดเนี่ยให้อัลล์ชมว่าฉลาดเนี่ยให้กลัวอัลลอฮ์สุราบากกรอนอายาที่หนึยิบเเห็นไหมให้กูวอัลลอฮ์ จะได้ชื่อว่าเป็นคนที่ฉลาดอายาที่สองเนี่ยพูดถึงเรื่องคนที่ชายสมองของเขานี่คิดนะคิดว่าอัลลอ์สร้างชันฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนโอ้อัลลอ์นี่มีความสามารถอนะันยิ่งใหญ่จริงๆคิดอย่างนี้เรียกว่าคนฉลาดอัลลอ์กว่านานอายาที่สองนะอายาที่สามเนี่ย แล้วก็จะแกานาฟี่องาสของพวกเขาีติวเลอัลอบรียนที่เาได้ยนาที่เเรนาในสุร์อยูซุฟข้อที่11พูดว่าจะให้ฉลาดเนี่ยพยายามนำหรือจำประวัติของบรรดานบีเอาเรื่องใหญ่ๆแญ่ะเช่นนบียูซุฟถูกโยนไปในบ่อนบียูซุฟเนี่ยอยู่กับผู้หญิงไม่ไม่ทำซีนาถูกติดคุก านาบีอิบราฮิมที่โยนสายไฟนบีนบีอะไรนะน บ, นบีสุลัย مان มีเหล็กใช่ไหมอยู่ในมือท่านเหล็กนิ่มนบีอิสมาอินมีดมาอยู่ที่คอเชือดไม่ได้นบีมูซากับกบฟาโร่จมฟาโร่จมน้ํนานบีมูซ่าไม่จมน้ํนานบีมัมัตไปอยู่ที่ไหนเมืองตออิฟถูกดา่าถูกไล่ถูกขว้างให้อภัย นี่เอาประวัติของบรรดานาดีเนี่ยมาคิดเป็นคนฉลาดเห็นยังครับในกุลอาสอนอั่นละว่าอย่าไปคิดเรื่งเินเดินตามกุลอ า, า น, นี่แหละห้ามในเรทุกคนเน่ถ้าใครตำหนิว่าเองเนี่ยไม่ฉลาดเนี่ยโมโหนะแต่ท่านชาเป็นคนฉลาดให้คิดหนึ่งให้ประคองตัวเป็นคนตะกวาซะจะได้ชื่อว่าฉลาดสองพยายามนึก เรื่องการสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินกลางวันกลางคืนไม่ว่าท่ายืนท่านั่งท่านอนคุณได้ชื่อว่าเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เก็บเรื่องราวของบรรดานบับีทั้งหมดเรื่องเด่นๆมันมีใช่ไหมลนะ่ะแล้วก็เก็บไว้ในสมองเราคิดบ่อยๆเนี่ยคนนั้นเป็นคนที่ฉลาดอุลลิลอัลบบอุลลิลอัลบบลบุญอัลบบแปลว่าฉลาดเอาวันนี้นะครับพี่น้องเรามาถึงอายาที่ 38แต่ความกินตะกินน่ยผมหมดใจร้อนไปหน่อยมันต้องอีกอายาหนึ่งนะว่าอายะตุลละฮุมใช่ไหมใช่ปล่าอิลลารหมัตัมมินนาวะมัต้าอันอิลลาให้อีกอายาหนึ่งนะครับให้ครบเจ็ดอายาเอาวันนี้มาอายาที่38อายาที่38นี้อัลลอฮ ส่งยิบรียมาหาท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านเอาคูอ่านอายานี้ประทานให้แก่ท่านให้ท่านนบีรู้ให้ท่านนบีมาสอนก็เรื่องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก่อนอชัมมาถึงดวงอาทิตย์วัชชัมสุตเจริลิมุสตะกอริลลา ذلك ต ت ด قدير العزيز العليم والشمس تجري لمستقر الله ذلك ต ت ด قدير العزيز العليم Allah أكبر เรื่องดวงดว hmm. งตะ <ت> ว <ص في> ัน <ق> บางคนเรียกพระอาทิตย์ เราไม่ได้กราบดวงอาทิตย์นะไม่น่าจะเรียกพระนะน่าจะเรียกอะไรนะดวงตะวันนะนี่กนน็ดูในในดิชินารีหลายๆเล่มนะดวงดวงตะวันเนี่ยตาจรีแปลว่าโคจรโคจรอยู่บนชั้นฟ้าเนี่ยเอาล้อเล่าให้นะบีฟังนะอย่าไปคิดว่าดวงตะวันน่มันเดินเองนะไม่ใช่นะ ผู้บริหารในชั้นฟ้าทั้งหมดในใครอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตัลลอตาจรีเบะวะโคจรลิมุสตะกอริลลาตามวิถีของมันตามทางของมันไอ้ทางในี่ใครกำห น, นดละ่ะใครกำหนดอัลลอฮ์กำหนดหมดเลยจะแบบรถนะนะอธิบายเรื่องรถนิดนะึง รถนี่ก็ต้องวิ่งบนถนนใช่ไหมล่ะนั่นเรื่วิถีของมันเช่ปะรถเนี่มีทั้งคนขับด้วยนะแล้วก็มีเส้นเขียวแดงอะไรต่างแล้วมีจราจรอีกมีไฟนูนไฟนี่ชนกันไหมอ่ะสุขุมศรีน่าก็ดีนะชนกันทุกวันนี่นะ <laughs> นี่ขนาดมีคนคุมมีจราจรมีเส้นนูนเส้นนี้รถยังชนกัน แต่ของอัลลอฮ์นี่อยู่ข้างบนเนี่ยมันยิ่งกว่าถนนสีนักรินนะ่ะมีดวงดาวเท่าไหร่ลงแล้งงั้นงั้นนอนดูสิโอเต็มไปหมดเลยนะ่ะมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่โคจรกันอยู่เนี่ยเคยวิ่งชนกันไหมอนะ่ะ <c ười> ไม่มีใครบริหารใครจัดการคิดตรงนี้อัลลอ์อัคบนเนี่ยคนฉลาดก็คิดแบบนี้แหละอ๋อบมีความวิ่งใหญ่ของอัลลอ์ ให้มนุษย์บริหารอะ้รไปยนงไนงไถนนสีนล้ว ก, ก, ก็ดีก็ดีสุขุมบิตก็ดีไม่เห็นเลยอัลลอในขนาดมีถนนกลางอยู่แล้วนะยังข้ามมาชนฝักก่งกนี้ก็คนไงฉะนั้นคนอัลลอฮฺนี่ต่างกันเยอะมากคนกัความสามารถแค่นี้แหละมากกว่านี้ไห น, นก็แย่แล้วแขนเชื่อกูรบาเนี่บางคนบ่าฉันเชื่อมาแล้วเมื่อตอนเด็กๆน่ะย่อทำให้พอแล้วสิ มีไหมคนพูดแบบนี้มีไหมมีแล้วบอกไม่ใช่ที่น บ, บีสอนไม่ใช่อย่างนั้นน บ, บีสอนว่าใครที่มีความสามารถจะเชื่อดกุลบะแล้วไม่เชือด่อนะให้ไล่มะนามาที่อื่นอย่างมานามาร่วมกับฉันในมุส ล, ล่าของท่านน บ, บีก็แสดงว่าไงต้องทําทุกปีถ้ามีความสามารถถ้าไม่มีความสามารถก็นั่งรอเดี๋ยวเนื้ อ, อมาถึงบ้านเองอั <c oughs> ลลอฮฺ อันนี้คุยเรื่องดวงอาทิตย์มันลบพุทบาลได้ไงเนี่ย <c oughs> อธิบายง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับว ช, ชัมสูตรจรีลิมุสตะกอริลลาและดวงตะวันทจรีแปลว่าโคจรหรือวิง่งเดิมแปลว่าวิง่งแต่นี้แปลว่าโคจรภาษาพราะดีเลยนะโคจรลิมุสตะกอริลลาตามวิถีของมัน เคยออกนอกโครจรไหมล่ะเคยออกนอกวิถีไหมไม่เคยออกเลยอ่ะใครบริหารขนาดนี้น่ะไม่ใช่เกิดเองน่ะนั่นพี่น้องเราเยอะนะในบึงในบ้านเมืองไทยทั่วโลกเนี่ยบอกว่าโลกเกิดมาเองดวงอาทิตย์เกิดมาเองมบริหารตัวมันเองมันโครจรเองไม่มีใครคุมเป็นได้ยังไงเราบอกว่าเนี่ยให้เราใช้ปัญญาบ้าง เอาเรื่องดวงอาทิตย์ดวงตะวาันเนี่ยมาสอนเพื่อไม่ให้ให้น บ, บี ม, มาสอนอย่าไปกราบดวงอาทิตย์นะมันไม่ใช่พระเจ้าดวงจันทร์ก็ามาใช่พระเจ้าดวงอาทิตย์มาใช่พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโลกนี้ไม่มีมีแต่อัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นนะครับลาลิกาตะกดีรุลอาซีซิลอาลีมาลิกาแปลว่านั่นคือ ตักดีสตักดีสนี่แปลว่าการพระกําหนดเป็นการกําหนดให้โครจร อ, อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดินอย่างนี้อย่างนี้ห่างกับโลกเราขนาดนี้ดวงจันทร์ห่างกับตัวเราห่างจากโลกดุนยากี่นิทอะไรเนี่ยเราก็เคยจะหามันเกิดย่นลงมานิดนึงใกล้มานิดนึงหรือออกห่างไปหน่อยเนี่ยอันตรายมากกับใครกับมนุษย์โุราณหมดเลยนะถ้าห่างไปโลกเย็นตายอีก กายมาอีกนิดนึงร้อนอีกใครบริหารขนาดนี้ท่านอย่ารอชายปัญญาอย่างนี้อัลลรอวันก็จะคนฉลาดาวัชัมสุตาจรีดวงอาทิตย์หรือว่าดวงตะวันนี่โคโจรลิมุสตะกอริลลาตามวิถีของมันลาลิกะตะกดีรุลอาจีจิลอาลีมนั่นคือ เป็นพระกำหนดอัลอาซิสจากใครครับนี่เป็นเป็นสิทธิ์ของอัลลอ์แล้วผู้ทรงอำนาจอัลอาลีมผู้ทรงรอบรู้ยิ่งอัลล์บมีสองมีสองสิทธ์นะ่ะผู้มีความรู้รอบรู้ยิ่งกับผู้ที่มีอำนาจยิง่งบริหารโลกไปนี้บริหารชั้นฟ้าหมดเลยไม่เดินชนกันด้วย เนี่ยมุสลิมต้องคิดแบบนี้แล้วอัลลอฮ์เตือนให้นบีมาสอนชาวมักกะเอหงอดาไมเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ทำไมลาตอุซามานาตมีหชื่อเจชื่อด้วยกันเนี่ยไปกราบนะสมัยนี้กับภูรากต็ตโตตะเกียไปกราบทําไมไปขอทําไมตอตโตตะเกียขอจากอัลลอฮ์นี่แหละอัลลอฮ์ขนาดบริหารชั้นฟ้านี่นะ ดวงอาทิตย์ดวงจันโคจรตามวิถีของมันใครได้บริหารเรื่องเหล่านี้ไม่ให้มันออกวงจรไปมากกว่านี้นะ่ะก็อัลลอ์บริหารอยู่ถ้ามันอ อ, อ, ออกนอกวงจรจะอัลลอฮ์กำหนดละใครแย่มนุษย์อัลลอน์นี่ให้ให้มนุษย์อย่างเดียวนี่ให้เกียรติมนุษย์ขนาดไหนอัลลอฮ์อักบะร์ฮามดูลิละแล้วอย่าเอาอารมณ์เราเนี่ยใหญ่กว่าคำรุมคำสมัมอัลลอฮ์ อัลลอฮ์นี่ให้มนุษย์ใช้ใช้ใชปัญญาเราเนี่ยต้องนอบน้อมนะต้องถ่อมตนนะต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์นะต้องยอมอัลลอฮ์นะ้ยอดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็รูปแบบก็คือทําตามนาบีให้หมดทุกรายการเท่าที่สามารถจะเรียนรู้ได้นะครับทีนี้ในคุรานอธิบายกุรานในสุร้อื่นอธิบายอย่างนี้นะครับว่าอัลลอฮ์นี่นะฟ้าลีุ่ลอา ส, สบะฮ์อัลลอฮ์นี่อับู เบิกรุ่งอรุณตอนเช้าเนี่ยนี่ยเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาและเจ้าชาอย่างเงี้เห็นไหมให้ตะวันขึ้นใจมั้ยน่ะอากาศตอนเช้าเช้าเนี่เย็นสบายเนี่อัลลอฮ์สอนให้นึกน่ะแล้วก็วันยาอัลละไลและซากรนาทรงทํากลางคืนเป็นที่พักผ่อนเดินนอนกันหมดเลยใจมั้ยน่ะคนที่ไม่นอนก็มีนะมัะนก็นทําของฮะดามกัน น, ะ, นะแล้วก็วัชชัมสุวัลกมามารฮุสบานา แล้วก็ทรงทำดวงตะวันและดวงเดือนให้โคโจรตามการคำนวณที่อัลลอได้กำหนดเอาไว้แล้วก็ซาลิกตะกัดดีรุลอาซีซีลอาลีนั่นคือพระกำหนดของพระผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรอบรู้และอีกอายันหนึ่งอธิบายบอกว่าวัชัมสุวัลความรูบิฮุสบานดวงอาทิตย์และดวงเดือนเนี่ยโคโจรตามวิถีของมัน วันนัจมูวะซาจารุยัสยูดาต้นผักญ้าแล้วก็ต้นรุกขชาติที่ไม่มีลําต้นนี่นะทั้งหมดทั้งสองรายการนี่กราบนอบน้อมต่ออลัลลอฮ์เห็นยังนี่อัละลอฮ์เล่าให้นบีฟังมัมมัตอาไปสอนนะ ต, นต้นไม้เล็กๆที่ไม่มีลําต้นใหญ่ๆนี่นะมันสุญูต่ออัลลอฮ์นะดวอาทิตย์ก็สุญูต่ออัลลอฮ์นะสุญู ย, ยังไงเราไม่รู้ แต่ละอย่างแต่ละอย่างสูญยูต่ต่ออัลลอฮ์ไม่เหมือนกันแต่ถ้าสุญอยูดของเราคือเอาหน้าผากับจมูกประกาศไวท้ที่ที่ที่ไรนะที่ ท, ท, ที่ที่ดินแล้วก็หันหน้าไปทางกิบลัดนี่ท่าสุญอยูดของเราท่าสุญอยูดของดวงอาทิตย์เราไม่รู้แต่อัลลอฮ์เล่าท่าสุญยูดของต้นไม้เราไม่รู้ท่าสูญอยู่ของสรรพสิ่งในโลกนี้สุญยูด ต, ต่อ Allah อัลลอฮ์ยังไงเราไม่รู้และสรรเสริญต่อ Allah อัลลอฮ์ยังไงเราก็ไม่รู้ จากนั้นดวงอาทิตย์ที่มันโคจรตามที่อัลลอฮ์สั่งน่ะมันเดินตามคำสั่งอัลลอ์น่ะมันไม่เคยทรยศต่ออัลลอ์น่ะถ้ามันทรยศจะเป็นไงอ่ะใครแย่เล่าในแย่อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาอายะที่สาสิบเก้วัลลุมารอกอดดรนาหุมมาณซิลฮัด แต่เด็กอ <ess iz> ูร <se> ์จุนวันควมาร์คัตดอนน้าหมานาซลแตกอูร์จ a l อัล u อฮุอะลั a ฮุรรัต a t ยะ i ที่สามสิบเก้นะครับของซุลยาซีนนะวันวมร์ต่อมาพูดเรื่องอ m ไรนะดวงจันทร์อัล a ัมดุลดวงเดือน อายาที่38ดพูดเรื่องดวงอาทิตย์นะครับอายาที่39มสิกว่าคอมมาร์แปลว่าดวงดวงจันทร์หรือดวงเดือนก็ดารนาหูแปลว่าเราได้กําหนดแต่อยังครับอายาเนี้ชัดเจนนะเราได้กำหนดอ่าละห้มเนี่ยเราหมายถึง Allah, อัลลอฮฺสุบฮานาหฺวะตาลาได้กําหนดให้ดวงเดือนนั้น มานาซิล่ามีตำแหน่งดวงเดือนนั้นโคจรตามตำแหน่งของมันนะตำแหน่งของมันเป็นอย่างนี้ครัำว่าตำแหน่งเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยมีประมาณกี่กี่วันนะยีบเก้าวันสามสิบวันเดือนอะไรนะเดือนอาหรับเนี่ยดวงเดือนเนี่ยมีตำแหน่งของมันยี่สิบปดมานาซินมียี่แปดตำแหน่ง 28คืนชัดดี28คืนแต่และตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งนั้นมาจากอัลล์ทั้งหมดอัลลอ์บริหารจัดการแล้วก็การใช้สุรยิยคติกับจันทรกติไม่เหมือนกันคนยุโรปเนี่ยใช้สุรยิยคติใช่ไหม ของเราเนี่ยใช้จันทรคติในการทําอิบาดะต่ออัลลอฮ์นมาตอีกของเราเนี่ยดูอะไรดูเดือนใช่ไหมล่ะแต่เห็นเดือนออกมาเห็นก็ไม่ออกอะไรก็พวกนี้ใช่ไหมละ่ะนี่เขาเรียกว่าอะไรนะต้องการจะอธิบายเรื่องกองมัดเรื่องดวงจันทร์อย่างเดียวดวงจันทร์เนี่ยมีอํานาจที่อัลลอฮ์ให้มาก็คือมีอยู่ทั้งหมดยี่สิบแปดตำแหน่งนะครับแล้วก็ข้อที่สอง มีดวงดวงจันทร์เนี่ยดวงเดือนทำให้เรารู้วันเดือนปีในกุ อ, นอานยาอื่นอธิบายอย่างนี้เลยนะว่าทาใหเราได้คิดคำนวณวันเดือนปีเนี่ยเพราะดวงดวงเดือนนี่แหละสโคจรตรงเลยไม่เคยเบี้ยวเลยนะเราจะนับเดือนปีรวมไปถึงการอย่าร้างผมเหมือนกันมันจะเดือนมกราคมพามีนานะช้เดือนจันทรคตินับนับอิดด้าของภรรยา สามีตายแล้วก็จะอยู่คลองตัวกี่วันแล้วก็นับเดือนเดือนเข้าเดือนออกเดือนระมอนมรมฮารอมแล้วก็ ต, ตามแต่เนี่พยายามชายเดือนจันทรคติหมดเลยเรื่องที่สามมันมีศัพท์อยู่คำหนึ่งนี่โอรยูนออรยูนเนี่ยแปลว่าก้านอินทรพาลมแห้งก้ามก้านอินทรพาลำแห้ง ทำไมเอาลอยโยกเรื่องการอินทรพลัมอะเพราะว่าคนอาหรับเนี่ยอยู่พวกเราก็มีตัวนี้มีอินทรพลังใช่ไหมดูใบมันสิวันแลามันแห้งแล้วมันเลกใช่ไหมล่ะนั่นละตองการจะอธิบายว่าดวงจันทร์อ่ะมันจะกลับมาเละเหมือนเดิมตอนจันทร์อะไรแต่ข้ามสองข้ามสามข้ามันเละใช่ว่าล่ะเอ๊ยทำไมมันเละอย่างงี้ก็ดูอะไรนะการอินทรพลังเข้าใจง่ายๆ่อ๋อ เพื่อให้คนอาหรับอย่าไปกาบดวงจันทร์นี่สอนนะถ้าเองกาบดวงจันทร์ก็กาบการอินฟาร์ลามก็พอกันนั่นแหละฉะนั้นให้นึกถึงความยิ่งใหญ่ของววอัลลอฮฺสุบฮานหุบบานอะไรการอูรยูนอุดยู น, ยนยไม่ว่าการอินฟารลามแห้งอ่ดูสดูคนนันวัลกอมารอและดวงเดือนนั้นก็ ด, ดารนาฮูเราได้กำหนดมัน มานาศิละตำแหน่งของมันนะครับตามตำแหน่งของการโคจรนะครับทั้งหมด29 28 29นะครับ29วันฮัตจนกระทั่งอาดาบกลับมาดวงจันทร์นี่กลับมาเหมือนอะไรก้านออรูลเหมือนกับก้านอินทพาล้ำแห้ง พี่น้องลองจำศัพท์งโอเดยูดอ้อก้าดอินฟาลามแห้งเนี่ยนายกบิรุณอ่านพูดเอาไว้เตือนให้เราได้รู้ว่าเดือนอันนี้มันใหญ่มีแต้ว่าต่อมามันเล็กๆจนกระทั่งเท่าก้าดอินฟาลามนี่ความสามารถของใครของอัลลอฮฺสุบฮานาหูต่างๆอย่าไปกราบดวงจันทร์แต่ให้กราบอัลลอฮฺสุบฮานาหูเรคนลงงานนี้นักวิทยาศาสตร์ต้องเข้ามาควบคุมใช่ไหมอ่าก็ต้องมีวิทยาศาสตร์ต้องมาศึกษาวิทยาศาสตร์ ก็เรียกคนม า, าสื่อารวิจาร์แล้วไม่เอาอลโลกก็มีไหมมีแต่ส่วนใหญ่เขาเอาอลเลกกันหมดลไปไหนไม่รอดเลยห้อดเลยละทีนี้ในคําภีรุรานอธิบายคุรานอีกนะครบมันก็นกนบอกว่าน้ำขึ้นน้ำลงอา่าน้ำขึ้นน้าลงอยู่ในคัมีรุรานน้าขึ้นน้ลงนสูราออะไรผมลืมไปแล้วะ มีเรื่องดวงจันทร์อย่างเดียวในนะมีอยู่4รายการข้อที่หนึ่งมีอยู่28แตำแหน่งนะครับข้อที่สองทำให้มนุษย์ได้รู้จักวันเดือนปีข้อที่สดวงเดือนขนาดเล็กคล้ายกินอินทรก้านอินคล้ายกิ่งอินทราลัลำตอนปลายเดือนแล้วก็ข้อที่สี่ทำให้น้ำขึ้นน้ำลง อิทธิพลของดวงจันทร์หมดเลยที่อัลลอฮฺอัลลอฮฺทราบมาแล้วก็น้ําขึ้นน้าลงในวันหนึ่งขนะองครั้งเยอะมากขึ้นครัง้งลงครั้งหนึ่งเยะมากบ้านอยู่ชายทะเลเนี่ยรู้โอ้น้ําขึ้นนี่ยน้ำลงเกี่ยวกวับดวงจันทร์หมดแลยเนี่ยอัลลอฮฺไล่วรรณกะเพียงคุณอานอายะอื่นนะครับขอบคุณอัลลอฮฺอย่าไปกราบดวงอาทิตย์อย่าอย่าไปกราบดวงจันทร์นะเพราะดวงจันทร์นั้นนะอัลลอฮฺให้มาเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยอยู่อยู่สบายแล้วก็ใช้ปัญญานะครับ มนุษย์รู้จักวันเดือนปีก็เพราะดวงดวงเนี่ยดวงดวงจันทร์รู้จักดวงเดือนขนาดเล็กคล้ายกิ่งอินทาลามแห้งตอนปลายเดือนก็ตอนต้นเดือนโอ้ไม่น้องได้ความรู้เยอะจากดวงจันอย่างเดียวนะครับเอาต่อมาครับอายาที่4ี่สบนะครับ ละแสงสุย ب บ غي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلم في فلك يسبحون ل แสงสุย ب บ غي لها أن تدرك القمر วลาลไอลุซาบุนนารุ و ك ل ฟ ف ลก ل ك ي يسبحون อายะนี้ต้องการจะอธิบายให้นบีฟังให้ยบรีลงมาหาท่านนบีนะสอนกัรนบีก่อนแล้วนบีก็มาสอนต่ออีกนบีไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่รู้ก่อนนักวิทยาศาสตร์พูดบอกว่า อธิบายอย่างี้นะครับดวงดวงดวงดว ง, ดวงตะวันเนี่ยนะมันจะไม่ไม่ตามชิดดวงเดือนอธิบายอย่างนี้มันจะไม่คาดเคลื่อนกันมันจะไม่ชนกันและจะโคจรอย่างนี้ตลอดไปมันมีวันหมดอายุอ้อนี่เล่าให้ฟังด้วยดวงจันทร์นี่นะกับดวงเดือนเนี่ยมันไม่ชนกัน แล้วก็มันจะไม่คาดเคลื่อนออกจากวิถีของมันแล้วก็เดินทางไปกี่วันเนี่ยโคจรอย่างเงี้ยจนกว่าจะถึงวันเกียร์มาพอถึงวันกียร์มานะอลัลลอฮฺให้ดวงจันทร์เนี่ยร่วงลงมจาจากชันฟ้าตกมาบนแผ่นดินดวงอาทิตย์ด้วยร่วมร่วมหมดเลยพังหมดเลยเห็นยังครับนี่ล่ามให้ฟังอ่ะอย่าไปกราบ สิ่งพวกนี้มันชั่วคราวหมดเลยนะไม่ใช่ถาวรนนะในขณะชั่วนะคราวน่ะกี่ปีอ่ะเป็นพันปีนะทำให้มนุษย์หลายคนว่าโอ้โยนี่มันถ้าจะถาวรไปตลอดอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่สอนว่าอยู่โลกดุนยาใบนี้มีวันหมดอายุท่านต้องเชื่อตรงนี้เลยดวงอาทิตย์มีวันหมดอายุ ดวงจันทร์มีวันหมดอายุดวงดาวมีวันหมดอายุจะต้องล่วงลงมาหมดเลยไม่มีอะไรถาวรของที่ถาวร อ, อะไรรูอเปล่าอีมานไม่มีวันหมดอายุอ่านกูรอานเนี่ยตีลวะ Así, ว่าอ่านอ่านคูรอ่านอ่านอ่านอานเนี่ยไม่มีวันหมดอายุถูกรีคอร์ดเจ็บๆไปหมดเลยนี่ของกันล้อเน่ยอ่านกูรอ่านไม่มีวันหมดอายุแล้วก็ นมาศไม่มีวันหมดที่เป็นความดีนะอามันตีซอแล้วนะและการบริจาคเนี่ยไม่มีวันหมดอายุซิครุล้อไม่มีวันหมดอายุแล้วก็ขอดูอาไม่มีวันหมดอา ย, อาไอายุไปเบิกได้เลยในวันกิยามาแต่ดวงอาทิตย์ดวงจันท์โคจรอยู่เนี่ยมีวันหมดอายุหมด <c oughs> นิพสอนให้เราคิดใช้ปัญญาโอ้เราควรที่จะคิดอะไรแล้วก็ให้ความสําคัญกับอะไรบนโลกดุนยาบนนี้ อย่าให้สำคัญกับตัวเองนะอย่าให้สำคัญกับวัตถุนะแต่ให้สำคัญกับอามัณฑิสอและ ก, กับอีมานสำคัญที่สุดนะมันของที่เรามองไม่เห็นนั่นแหละแต่ดอิทธิพลมันเยอะมากเนี่ยพูดง่ายๆทำไมมีดไม่เชืิดคอนบงอิสมาอินเชิดไม่ข้าเพราะอะไรเพราะหัวใจของนบีอิบรออีมกับหัวใจของอิสมาอีอมานะ่ะ อามานูวะอามิลุซอลิฮ์มี إ ม م า ن ที่เข้มมากอ่ะมีดมันสามารถเชือดคอได้เรื ท, ที่หนึ่งนะเหล็กมาอยู่ในมือของใครน บ, บีดาวดูซุลัยมานเนี่ยสองคนนีนะครับพอจับพับเนี่ยนิ่มเลยทำอะไรนะเรือดำน้าได้ด้วยเรือดำน้าเนี่ยมันมีมาแต่สมัยนบะีอะไรไม่ใช่สมัยนี้ นากบิริกรุลอ่นย่างที่ว่าไว้ทําเสื้อเกราะสมัยนั้นไม่ต้องไปผ่านโรงงานเลยนะจับปั๊บเน็ตโอ้โหอักบัตนิ่มเลยเพราะอะไรครับเพราะ إ ي ม ا ن น, น บ, บีมูซาผ่านทะเลแดงได้ขึ้นไปเพราะ إيمان พรอฟารโรห์ลงมาเป็นไงตายหมดเพราะไม่มี إ ي ม ا ن นบีอิ บ, บราฮีมถูกโยนใส่ไฟ และไฟไม่อะไรนะไม่ทำลายนาบีอิบรอฮิมเพราะอะไรเพราะอ ي มานที่เขายองกับอัลลอฮ์เนี่ยทำจริงเลยนบียูซุฟโยนลงไปในบอ่อไม่รู้ว่ากี่วันกี่อาทิตยนะ์เราก็ไม่รู้นะ่ะแต่ทำไมไม่ตายอะ่ะเพราะอ ي มานแล้วก็ติดคุกกี่ปีเจดปดปีเนี่ยไม่เคยเสียใจไม่เคยเศร้าใจนะ่ะเพราะแรงอ ي มานต่ออัลลอ์ไปนานทำงานดาวา์ในคุกได้ อ, อีกน่ะ นี่เรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาโอ้นี่แรงอิมานกับแรงอัมมัน่นดิซอแล้วเนี่ยไม่มีอะไรมาทําลายเราได้นะครับความร้อนทําลายไม่ได้ไฟทําลายไม่ได้น้ําทําลายไม่ได้มีดเหล็กๆ แ, แข็งทําลายไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเลยถ้าเรามีอิมานต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเริ่มมีอัมมัน่นดิซอแล้วเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างตัวสุอยู่ให้เราหมดเลยครับทำไปเลื่อยๆเอาต่อมาครับ ลาชยมสุยมบารีเปว่าดวงตะวันนั้นเนี่ยยัมบารีแปลว่าไม่เป็นที่อนุมัตินี่อลัลลอฮฺสั่งเลยนะดวงดวงเลยนะดวงทวันนั้นไม่เป็นที่อนุมัติละฮะแกมันอันตูดาริกัลคอมารอที่มันจะตามชิดดวงเดือน ที่มันจะตามชิดดวงเดือนนะครับมันจะไม่ซ้อนกันอธิบายอย่างนี้มันจะไม่ซ้อนกันมันจะไม่ชนกันมันจะไม่เคลื่อนออกจากตําแหน่งของมันวาลไลลูซาบิคุนนะและกลางคืนไลลูแปลว่ากลางคืนและกลางคืนก็ไม่ขึ้นหน้าซาบิกแปลว่าขึ้นหน้านะล้ําหน้า จะไม่เคลื่อนจะไม่ล่ามหน้ากลางวันเห็นไหมนี่อัลลอฮ์สั่งนะกลางวันกลางกลางคืนจะไม่ชนกันจะไม่ล่ามกันอะไรกันนี่อธิบายไปในะกัมภีร์คุณอ่านบุญเลยต้องอย่าไปกราบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อย่า ก, กราบกลางวันอย่า ก, กราบกลางคืนเอากลางวันมาเป็นที่สแสวงหาฤากีของอัลลอฮ์แล้วก็ต่ออัลลอฮ์กลางคืนภาคพรอย่ า, าพักเพลนตลอดทั้งคืนให้ลุกขึ้นน้ำมาตะฮัดยุดด้วยสอนได้หมดเลย ทั้งวนันกลางคืนจะไม่ชนกันวกุลลุนเฟฟาลกิยาสบาฮุนกุลลุนจังหวัดทั้งหมดฟารักษ์เนี่ยแปลว่าจักรราศีวิชาฟารักษ์ก็มวาวิชาคำนวณเนี่ยจักรราศีนี่นะยาสบาฮุนมันว่ายอยู่สวิมมิ่งมันว่ายอยู่บนชั้นฟ้าทั้งหมดนี่แสดงก็เห็นว่า ดวงเดือนดวงจันทร์ดาวทั้งหมดที่อยู่บนชั้นฟ้านี่นะมันมันลอยกันอยู่นะทห็นยังลอยอยู่นะไม่มีอะไรยึดเลยลอยอยู่ทั้งหมดเลยยัสบ่าไปว่าสวิงอ่ะสับเดิมนะ่ะนะแบบว่าว่ายน้ําเนี่ยว่ายน้ำใช่ไหมล่ะชั้นเนี่ยแผ่นดินชั้นฟ้าลอยอยู่นะดวงเดือนดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหมดไม่รู้ว่านับนับไม่ถ้วนบนชั้นฟ้าเนี่ย ลอยอยู่ยัสบาฮุนแปบลบว่าลอยวนอยู่ในในจักรราศีอัลลอฮฺอัลเตนี่ความสามารถของใครของอัลลอสุบ ب า ا ن ه ละยัมบารีแปบลบว่าไม่สมควรนะครับลายัมบารีลชัมสุยัมบารีและดวงตะวันนั้นก็ไม่เป็นที่อนุมัติแต่มันที่มันจะตามชิดดวงเดือนและกลางคืนก็จะไม่ขึ้นหน้ากลางวันและทั้งหมดเนี่ยลอยวนอยู่ใน จักรราศีที่อรรถได้กําหนดเอาไว้ข้างบนนี่ลอยอยู่นะโลกที่เราอยู่นี่ก็ลอยอยู่ใช่ไหมนะล่ะเราหมุนรอบตัวเองต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ผู้อ่านที่ให้นําชี้นําเล็กๆ น, น้อยๆเท่านั้นเองพื่เราได้ไปเรียนต่อไปต่อยอดเอาเองครับในคัมภีร์ุณอ่านในยะอื่นอนธะิบายอย่างนี้นะครับบอกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวภูเขาต้นไม้สัตว์สุอยู่ต่ออรรถหมดเลยครับ อัลลอบสังเกตวฝ น, น, นตกเนี่ยพวกเขียดเขื่อนพวกนี้มันร้องนะอแบอแบอแบอแบอแอบุลามะหลายคนเราบมันสรเสต่ออัลลอขอบคุณอลัลลอยให้น้นําฝนตกตกลงมานี่มาเตือนเตือนนะนะเล่าให้ท่า น, นาบีมฮัามหมัดฟังให้นบีมาสอนพวกเราวันนี้ฉะนั้นเราเองอยู่บนโลกดุนยาไนี้อลัลลอบอกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกนี้ไม่ไม่ไม่ไมสอยู่ต่อฉัน แต่พระสุญยตุตอสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาซึ่งเป็นมักลูกเหมือนเหมือนมนุษย์นั่นแหละแต่มนุษย์ไปกราบสิ่งอื่นอ น, นอกจากอัลลอฮ์สุภานวุวาตาละนั้นยกเว้นคนที่เป็นมุมินซึ่งปีจำนวนไม่เยอะนะตอนนี้มีเท่าไหร่ประมาณสองพันล้านได้ไหมได้นะสองพันล้านอ่ะอีกห้าพล้าน น, ะ 5, านนะ่ไม่อลัลลอ์เอาต่อมาครับอายาที่ี่ ว่าา ت ุลละห์อั حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ว آ ي า ت ุลละห์อัน حملنا ذريتهم في الفلك المشحون อเน <ت ص> ี <في> ้ย <ق> สอนใหเรานึกถึงเนี้อำาของอัลลอฮ์ อย่าลืมเนื้อมัดอัลลอฮ์ะจะเรียกราะมะก็ได้เนี้ยมัดก็ได้เรียกแต่สองอย่างนะนึกถึงความโปรดปรานเรียกว่าราะมะนึกถึงเนื้อมัดก็ความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยอัลลอฮ์เยอะมากครับอันนี้ตอนการจะเตือนว่าให้เรารู้ให้เราดูานี้ดูเรืออ่าเรืออัลฟุลกีเรีว่าเรือนะ มันมีเรือใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกอะดูคุณอ่านว่าอายะตุลลาหุมอายะแปลว่าสัญญาณและสัญญาณหนึ่งลาหุมแก่พวกเขาอายะแปลว่าสัญญาณอายะแปลว่าคุณอ่านก็ได้อายะแปลว่าต้นไม้ก็ได้อายะแปลว่าภูเขาก็ได้สปปรรพสิ่งที่เราสร้างมาเรียกว่าอายะหมด หรือกุอ่านทุกอายาในกัมภียกุรอ่านอธิบายได้หมดเลยนะครับว่ายัจุลหุมและสัญญาหนึ่งแก่พวกเขาคืออันนาหามาลาเราได้บรรทุกเราได้แบกเราได้บรรทุกหมาหมาลาเดินแปลว่าถือเราได้ถือเราได้บรรทุกเราได้ บรรทุกนะบรรบรรทุกนะครับรุรียาตหุมรุริยานี่เป็นพระหุพ์ของคำว่ารุรียาตุล น, นะครับรุรียาตอ่อแปลว่าเอกพจน์แต่ว่าพรมพันธุ์แต่ว่าพรมพันุ์แปลว่าอะไรนะมนุษย์นะนะเผ่าพันธุ์มนุษย์นะตั้งแต่สมัยนบีอาดัมมาเนี่นะครับแต่ตรงนี้ต้องการจะอธิบายว่าให้เราพิจารณาดูฟิลฟุลกี เกี่ยวกับเรืออย่างเดียวเรือเรือเรือเรือลำแรกที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยใครสร้างมานึกออกไหมนบีอะไรนบีนูอเรือในโลกนี้เรือลำแรกคือนบีนูสร้างกี่ปีเป็นร้อยปีนะคือปลูกปลูกต้นไม้ก่อนโอโ้เห็นย่างครับ พรออายุนบีนัวเท่าไรสอนศาสนาอย่างเดียวนะ่าเก้า้อยห้าสิบปีคือในกัพภีร์อุราเน่ยนะระหว่างที่สอนศาสนานะี่ยแหละถูกดา่าใช่ไหมถูกไล่ถูกขว้างสารพัดแบบนบีมุฮัมมัดเลยแล้วเป็นไงนบีนัวเมีม่ยมุกกขขอดุราเราจะทำลายทําลายคนที่ต่อต้านศา ส, สนาเราเอา้าฉันจะทําลายแต่เองสร้างสร้างเรือก่อนไปปลูกต้นไม้ก่อนไป เห็นยังครับในขั้นตอนในขั้นตอนพอผูก ต, ต้นไม้พอโตโ ด, ดีก็ตัดตัดมาเราก็มาเลือเ่อยอีกอะไรอีกอัลลอฮฺอัลกุบะจะได้เรือลำแรกของนะของอโลกวันนี้คือเรือของนบีนูไนเลยฮิสลาอัลลอฮฺสอนให้นบีได้รู้และสอนพวกเราให้รู้ว่าพูดถึงเรื่องเรืออันฟุลกีแปลว่าเรือ ว่าอยตุลาหุมและสัญญาหนึ่งแก่พวกเขาคืออนนาหามนาจุริยตาหูมเราได้บรรทุกเผ่าพันุ์หรือพงพันุ์นะครับหรือลูกหลานอาของพวกเขาเหล่านั้นนะฟินฟุลกีอยู่ในเรืออโลเพาะก็ เอาไว้ในเรือเรือใครครับเรือนบีนัวอะัยฮิสัลามที่อัลลอ์ Allah สั่งให้นบีนวสร้างครับอัลมัชฮูนมัชฮูนแปลว่าเพียบแปร่มีของหนักอยู่บนเรือเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยต้องนึกเอาอะไรใส่ไปอายะอื่นอธิบายอีกเอามาแพะแกะวัวควายสัตว์เป็นคู่คู่ ค, คู่ใช่ไหมรวมถึงมนุษย์ด้วยมนุษย์ที่ไม่ขึ้นเรือมีป่าววันนั้นน่ะ ใครภรรยาตัวเองไม่ขึ้นใช่ไหมแล้วก็ลูกตัวเองขึ้นไหมไม่ขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่เชื่อว่าน บ, บีนว่าเป็นด บ, บีของอลัลลอฮฺโหลูกไม่เอานี่หนักนะเมียไม่เอานี่หนักนะเห็นไ้มแต่ยังอยู่ด้วยกันได้นะแต่นี้พอขึ้นเรือปั๊บไม่รู้เลยว่าใครไม่เอาไม่เอ า, เอานอัลลอฮฺจะลงโทษแล้วเนี่ยเพราะอานาญาณนี้ต้องนึกเลยยังไงนี้ไ คนฉลาดให้นึกถึงประวัติของนบีนัวเอาไว้ในสมองตัวเองเยอะๆแล้วก็พูดอธิบายให้ลูกฟังให้เมียฟังนี่แหละอัลลอฮ์เองเป็นคนอูลิลอัลบาเป็นคนฉลาดนึกถึงประวัติของนบีนบีคนไหนก็ได้ถ้ารู้จักนบีเยอะประวัติเยอะก็ความรู้มันก็เยอะขึ้นอธิบายให้ลูกหลานฟังแบบสบายๆจะทำอย่อยางนี้เตือนนะ เรือนะเรืออัลลอฮฺววัญะทานเวลาพี่น้องเห็นลงเห็นเลยดี๋ยวนี้เรือคอนเครต์หมดแล้วใช่ไหมอัลลอฮฺอักบะดแต่จะมีเรืออยู่ในท้องมหาสมุทรเต็มไปหมดเลยนะนะเรือเจ้าสําราญเอาไปมองดูนะนะเรือนบีนัวเป็นเรือลำแรกที่บรรจุคนอีมานต่ออัลลอฮฺอยู่ในเรือวันนี้อยู่ในเรือเหมือนกันมหาสมุทรเต็มไปหมดบรรจุใครอาช้ปัญญาเองก็ใช่ะ ทำอะไรบ้างมีเบียร์มีเหล้ามีซีนาอยู่บนเรือใช่ไหมโอ้โหสารพัดต่างกันพรกาญนบีนูนบบน่นะ <c oughs> อเออเห็นยังครับโอ้มุสลิมจะอยู่ตรงไหนก็ตาม <c oughs> เห็นเรือแล่นในมหาสมุทรตรงนึกเรือน บ, บีนวนดีกว่าไว้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขาน้าใหม่กันในเรือใช่ไหมล่ะเ <c oughs> ขาอ่านกุมันมีคัมภีร์ของเขาเองในะสมัยนู้นนะ เขานำมาเขาอดทนเขาที่รุนลอ้วเขาขอบคุณอลัลลอฮ์ในเรือหมดเลยอะ่ะแล้วเอาคนดีๆขึ้นเรือเอาสัตว์ขึ้นเรื อ, อ, าารอวันนี้เอาอะไรขึ้นเรือก็พี่น้องกังนึกเองกันแล้วกันไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับทีนี้ที่อยู่บนเรือนะลูกของนบีนวัวมีอยู่สามคนชื่ออะไรรู้เปล่าชื่อซามชื่อฮามกับชื่อยาฟิส ลูกน บ, บีนัวที่ขึ้นเรือนะมีอุูา3คนนอกนั้นตายหมดเลยนะเพราะไม่ขึ้นเรือนะไอขึ้นเรือจมีอุูา3คนชื่ออะไรนะซามตัวซีนอลิบมีมซามกับฮามฮาอลิบมีมฮามแล้วก็ยาฟิสชื่อก็เพราะนะไม่มีใครตั้งชื่ออื่แบบนี้นะฮามซามนะยาฟิสพอเรือพอน้ำแห้งแล้วนี่นะ นี่สามคนนี่แหละเป็นต้นตระกูลของมนุษย์ปัจจุบันนี้ทันบีอธิบายเองนะครับว่ละดุนวซ า, า, าดาซาตุลต้นกำเนิดของมนุษย์เนี่ยมีอยู่สามพวก3ามเนี่ยกลุ่มอาหรับหมดเลยรวมถึงพวกเราด้วยนะแล้วกลุ่มที่สองฮามเนี่ยพวกผิวดำหมดเลยแอฟริกาแล้วก็ยารฟิสนี่พวกยุโรปหมดเลย แตะจายก็อยู่ทั่วโลกวันนี้ลูกของนบีอาลูกของนบีอาดัมแต่เชื้อสายของนบีนัวอัลกุศล์อยู่สามคนเชื่ อ, อไรนะซามฮามยาฟิสนี่เวลรารอ่านอักุรอานอันใหญ่นี้นึกนึกนบีนวัว น, นึกเรือนึกลูกนึกหลาน อ, ลอัลลอฮ์บ้าที่เราที่ต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะเรานี่มาจากซามนะมาจากฮามนะมาจากยาฟิสนะ นพออ่านคุณอ่านภาพอลัลลอฮ์เปิดสมองเราอลัออลออล อ, อลฮ์ฮามดูลิละคนเรานี่เป็นคนดีนะอ่าจะเรื่องมาต้นตระกูลเราเนี่เป็นคนดีใช่ไหมฮามดูลิละแต่ชื่อฮามซามยาฟยุตในอีเรื่องหนึง่งเอาละเราเนี่มาจากต้นตระกูลเรือนับดุลเบี๊โนะที่ไม่ที่ก็ไม่ให้จมน้าวันนั้นเพราะเขาอิหมัดถ้าอลัออลลอฮ์ รุ่นพวกเราวันนี้ก็อิมานต่ออัลลอ์เหมือนพวกขามซามยาฟิสมันกันอัลฮัมุดุลิลลัตแต่คนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ก็จบนามไปแล้วแต่จะจมต่อไปในวันในโลกอาคีรอนนะครับเอาต่อไปอายาที่4ี่สิพูดเึองการสร้างาสปปรรพสิ่งที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยนะพวกเรื่องเรืออย่างเดียวนะแล้วก็ต่อมาพูดวปเรื่องรถรถด้วยเครื่องบินด้วยต่อมาอายา t h i ครับ ว่า خلقنا لهم من م ม ل م ي مجاركبون ว่า خلقنا لهم من مسلمي ر ك ب و ن แปลแป ล, ม, ม, ม, ม, ลมายกมายกะบูนก่อนสิ่งที่พวกเขาขับขี่ ที่พวกเขาขี่วันนี้ที่เราขี่ขี่ขีกันอยู่เนี่ยนะขี่อะไรบ้างขี่รถใช่ไหมนั่งบนเรือใช่ไหมนั่งบนเครื่องบินใช่ไหมล่ะนั่งบนหลังอูหลังสัตว์หลังนุ่นหลังนี้นี่ต้องการจะอธิบายให้นบีฟังให้พวกเราก็ฟังสิ่งที่มนุษย์ขับขี่อยู่บนโลกดุนยาไปนี้มาจากอัลลอฮ์หมดเลย ส บ, สบายใจใช่ไหมอัลฮมดุลิลเลเรือเรือที่มันสร้างสร้างกันอยู่ในลอกเรียนใครเรือนบีนัวของใครของอัลลอ์แล้วก็แพ้แกอูวาควายอูดที่เราขี่อยู่นี้มาจากอัลลอ์ตรงๆเลยแล้วก็รถเนี่ยสมัยก่อนนบีไม่มีใช่ไหมล่ะไอความคิดสร้างรถมาจากใครมาจากอัลลอ์ทั้งหมดอัลลอ์ให้ความรู้เองคิดเรื่องสร้างรถห้คนนี้ไปคิด เราก็สร้างเรือเอาไปร่างเรือนบีนุฮมีอยู่แล้วสร้างรถเอาไปสร้างรถไฟเอาไปสร้างเครื่องบินม า, นาอย่ากับูนั่นตัวมากับดูสับว่าขอลักนาลาหุมและเราได้สร้างทํานองนี้แหละมิสลิฮีมิมมิสลิฮีในทํานองนี้แหละว่าขอลักคนาเราได้สร้างลาหุมนะครับ สำหรับพวกเขามิมมิสลลหีในทำนองเดียวกันนะครับอะไรบ้างหนึ่งเรือใหญ่ๆรถบรรทุกรถไฟฟ้าเครื่องบินจะลงจะรวดอะไรก็าตามแต่อะไรที่มันขึ้ น, ข, นขึ้นกันไปนน่ลเอารถให้มาเป็นความรู้ให้มาทั้งหมดฉะนั้นอย่าตะกบดอะไรของอเมริกาขึ้นไปเี่เชลเลนที่เท่าไรวันนั่นนะ่ะ มีคนอยู่กี่คนห้าคนน่ะเชลเลนแปลว่าอะไรอ่ะสามเกต์น่ะท้าทายอ่ะแล้วเป็นไงครับขึ้นมาเด็นเดินนึงระเบิดตายหมดเลยเห็นยังภาษามันเชลเลนแปลว่าฉันแข่งกับ อ, อัลลอฮ์แล้วไปรอดไหมละ่ะไม่รอดอ่ะเราอ่านนนึกโอบิลลมิชตอขอบคุณมากนันานยายาอวดีอย่าทนงตนกับ Allah. อัลลอฮ์ยา เชลเลนย์เัาซาฝรั่งคเนียมาใช่นะฉันจะแข่งกับรอเองไม่มีสิทธิ์แข่งอยู่ด้วยรอวักบัต น, น, นึกตอนตายมังสิตอนตายเนี่ยจับใส่ลงจะไปแข่งกับใครรอวักบัตนบี ม, มุ h a ม m a d เล่าเองใช่ไหมพอจับใส่ลงปะปอตอนแบกเองจะพาฉันไปไหนนัาจะไปไหนรอดล่ะ ถ้าเป็นคนดีมี إ ي م านมีอมา ม, อมันติซอแล้พะพอจับใส่โลงพอแบกปับ๊บก็ดิมูนีรีบพาฉันไปเอาเลือกจะเอาอันไหนเอาอีอีมานดีกว่าแล้วก็มีอามันที่ซอแล้พะพอจับใส่โลงปั๊บเนี่ยจะได้พูดว่าพยายามพาฉันไปไวๆ ไ, วไปไหนไปฝังกูโบฉันจะได้ไปรับรางวัลของฉันที่ฉันได้อดทนสบายอยู่กับอิสลามมาทั้งชีวิตของฉันอัลฮัมดุลิลลา ว่าขอละกนาละหุ ม, มิมิสลลฮิมายรุกระบูนและเราได้สร้างทํานองนี้แหละเช่นเรือใหญ่ๆรถบรรทุกรถไฟเครื่องบินและอื่นๆ อ, อ, อีกที่จะสร้างมาในอนาคตหลังจากเราตายไปแล้วเนี่ยนะมายรุกระบูสําหรับพวกเขาขับขี่อัลลอฮอัลลอัลล นี่ยล้อนล่าให้ฟังก่อนรวมนานในัมภีร์อ่าน 1,400 พสี่รอ 1, ปีมาแล้วมนุษย์จะต้องทำนูนทำนี้ทำนี้ตามมาทั้งหมดนั้นใครอยู่เบื้องหลังเออผมลืมอธิบายวันนั้นอายาที่เท่าไรเดี๋ยวก่อนอายาที่ส5บห้าลองลอ ง, ง, ง, งกลับไปดูนิดหนึ่งอายาที่ส5สบห้าน่ะ ลิยากูลูมินซ a มาร i h i w าม a a าม l ลั h u a อ d i ด i ห a มอฟาด y ย s สกูรุ n เพื่อพวกเขาจะได้กินผลไม้และมือของพวกเขาไม่ได้ทำอฟาด y ย s สกูรุ n ก็นั้นแล้วพวกเขายังไม่ขอบคุณหรือคำว่าว a ม m อ l ม t ลัตนะูมีสองความหมายนะ อ่าในตับซีหลายๆเล่มนะนะมาเนี่ยแปลว่าไม่ไม่ได้ทำมาอามิลาแปลว่ามือไม่ได้ทำบางอุลมะอธิบายว่ามือทำมาไม่จะแปลว่าไม่แปลว่าอันลีมือที่พวกเขาทำกับมือที่พวกเขาไม่ได้ทำอธิบายได้สองอย่างนะ คือมน for <men> ุษย์เนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยสักอย่างหนึงอ่ะไม่ได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้นไม้ที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมนุษย์ทําอะไรบ่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะคนที่ผู้ที่อธิบายว่ามนุษย์ไม่ได้ทํหมายความว่าที่มนุษย์ทำเนี่ยนะเพราะเอารอดดนใจให้เขาไปปลูกต้นไม้ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เขาว่ามาไม่สองอย่างนะแปลว่าไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม่ได้เหนื่อยสักนิดหนึ่ง มาแปลว่าเขาลงมือทําแค่ไอ่ทาก็ทําทเล็กๆน้อยๆให้จเจอเลยมีกิ่งมีก้านเนี่ยมนุษย์เหรอไม่ใช่เอ็งแค่รดน้ํำหรือว่าทําเลยก็โจบท่านทำอ่ะมือคุณแตทําหรือไม่ทําก็ต่มาอามิลัดมือคุณไม่ได้ทําเลยกลับมาอามิลัดมือคุณทําสัมผัสเล็กๆน้อยๆเท่า น, นั้นเอง คำว่ามาคําเดียวแปลว่าไม่หรือแปลว่าซึ่งทํากับไม่ทำนะกันนั้นนะเดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวจะอธิบายผิดนะเพราะบางตัาซี บ, บอธิบายว่าไม่ได้ทําส่วนใหญ่แปลว่าไม่ได้ทําแต่บางตัาซีบแปลว่าทํานะครับอต่อมาครับว่าขวลาคอนาลฮุมมิมิสลิฮิมายารกาบูและเราได้สร้างในทํานองนี้แหละ สร้างอะไรบังครับสร้างเรือใหญ่ๆรถบรรทุกรถไฟฟ้าเครื่องบินแล้วก็จรงจรวดอะไรก็ตามแต่ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยนะ <c oughs> สำหรับพวกเขาที่พวกเขาขับขี่นะครับในอายะอื่น s u r a ม m u m น n น n m u ม i นู n อธิบายบอกว่าว a a l ล i h a wa a l a ล f ล l kitu h a m a l u และสู่เจ้าถูกบรรทุก พร้อมทั้งสัมภาระอยู่บนหลังของมันและเรือเป็นเรือด้วยเป็นอูดด้วยเอาสัมภาระขึ้นไปเนี่ย เ, เราสั่งหมดเลยนะอ่ะอะสาระขึ้นไปอยู่อยู่บนหลังอูดได้เอาสัมภาระลงไปในเรือได้ไม่ใช่คนอย่างเดียวเรียนแดดนบีใครนบีนวัวอะไรที่ซาลาห์อย่างนี้เป็นตัวฉต้องนึกเยอะจะขึ้นเรือต้องอ่านดอาใช่ไหมอาว่าไง บิสมิลลาฮิมัจเจลาอฮะมูซาฮาจะขึ้นรถต้องอ่านดูงอาให้มั้ยจะขึ้นเครื่องบินต้องอ่านดูอานึกถึงอัลลอฮ์แต่หลายคนนันไม่ได้อ่านเลยใช่ไหมล่ะอัลลอฮ์ขึ้นรถก็ไม่ได้อ่านขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้อ่านลงเรือก็ไม่ได้อ่านอัลลอ์ับบรนี่ทอรยอตต่ออัลล์ครับต่อมาอายะที่สี่สิบสาม و อินชَ أ ْ نغرقهم فلا صريخ لهم ولاهم ي ن ق ُ و ن و อินชَ أ ْ نغرقهم فلا صريخ لهم ولاهم ينقضون อัลลอฮฺพระญาณีพูดเรื่องเรือจม เรือที่จมในทะเลมีบาวที่ดังที่สุดในโลกชื่ออะไรทาธทานิกใช่ไหมก็นึกตรงนั้นก่อนก็ได้เข้าใจง่ายหน่อย <c oughs> นี่เราต้องการจะอธิบายว่าถ้าฉันจะให้เรือชีวิตอยู่ในมหาสมุทรจมมาทำได้ไหมอลอกระดิกนื่อ ย, อย่างนี้หมดจมหมดแล้ว <c oughs> เอาดูสั์นะว่าอินนาชาะถ้าเราประสม มัสาอัลลอฮฺมันนัสะนั่นละอินชาอัลลอฮฺเหมือนกันนะนัสะนัสะถ้าเราประสงค์โนริกหมเราจะจมพวกเขาก็ได้ทั <ota pe ak> ้ง <homeland> นั้นคนที่อยู่บนเรือต้องนึกถึงเนี่อามตของอัลลออยู่บนเครื่องบินต้องนึกถึงนี่อออยอามัตอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอให้ให้เครื่องบินบินได้เนี่ยก็ต้องนึกถึงนกด้วย อ๋อมันกลางปีกแล้วมันก็หุกปีกแต่มันมันไม่ร่วงลงมาข้างบินก็เหมือนกันไม่ใช่ฝรังใหญ่ไม่ใช่อัลลอฮฺ Allah, อักบุบะดีลฮัมดุลิลละอักบะดวอินชอรีกฮุมถ้าเราระสมเราจะโจมพวกเขาก็ได้อัลลอฮฺอักบะอย่างนี่เตือนอย่างเตืนอตนแล้วนะเอ็งยวั ด, ดีนะฟาลาซาริาาฮัลฮุมซรข้อนี่ สับเดิมแปลว่าร้องตะโกนเสียงดังลาสอริยและไม่มีผู้ร้องตะโกนเสียงดังอัลลอฮฺ อ, อักบาร์อเห็นยังครับตอนจมน้ำน่ะตะโกนยังไงใครช่วยได้คำว่าตะโกนยังมีอีกนะในนรกอีกในนรกก็ตะโกนน่ะ ย่อเลยฉันทรมานจริงๆเลยนี่เรือจะจมก็ตะโกนเอเลก้าเล่าอีกซอริคเปวัตโกนเสียงดังตอนไหนตอนโยนลงในนรกเอเละาะว่ก็พัดก็ตะโกนอีกอเลาะจะฉันขอเต้าบาตัวขอทำอามันที่โซเล เราก็บอกว่าสถานที่ทําอามันทิซอแล้วไม่ใช่ในนรกไม่ใช่บนทุ่งมาชัดสถานที่ทําอามันทิซอแล้วบนโลกดุนยาใบนี้นี่โลกดุนยาใบนี้ไปร้องบุญในกูโบอีกเอาป๋จ้าจถ้าฉันเป็นมุสลิมก็จะดีไม่ต้องถูกลงโทษอยู่ในกูโบแล้วว่าร้องทําไม สถานที่รองมันต่อรรองบนดุนยานี้จะได้กลับเนื้อกลับตัวเด่นเอาไปรออยู่ในกุโบช่วยไม่ได้เห็นยังครับสไลค์มาว่ารองตะโกนรองตะโกนจนเรือจมไอรองตะโกนเนี่ยถ้ามีอีมานต่ออรรถตะโกนอลรถช่วยอะ่ะถ้าไม่มีอิมานต่ออรรถอรรถไม่ช่วยอะ่ะเห็นยังครับนี่ก็เตือ น, ต, นอตัวตลอดเวลา ถาว่านบีอิบรอฮิมตะโกนหรือเปล่าตอนจะเชื่อนบีอิสมาอินหัวใจตะโกนน่ะลูกชายว่าพ่อเชื่อเลยกันยังนี่นะหัวใจที่บริสุทธิ์ที่มารตอนล้อมีดไม่กล้ากินคอหนบีอิสมาอินเพราะอะไระนบีถูกโยนใส่ไฟอ่ะทาไมไฟไม่ไหม้ญ <laughs> ิบรีลงมาว่าเอาฉันช่วยไหม ไม่เอา้าเอาใครเอาเราเราต้องคิดเงินขาดวันนี่ยแล้วลูกไม่สบายทําไงดีอารลอจ่าก่อนอยาเพิ่งฮัลโลขอยืมตังค์ยาเพิ่งอารลอจ่าฉันตังค์ไม่มีวันนี่ยเนี่ยลูกก็ไม่สบายในเมียก็เจ็บท้องอยู่เนี่ยอารลอจา่าสุ้ยุติอนไปอามนานมาสุ้ยุตโต้อารลอสู้ตั้งนาน ตําหานอาทิตยละอดจะช่วยเบาอนันลอดหน่อยามีตาม่างจริงจริงอย่างลอผมทำมาประจาผมเป็นคนที่ต่างขาดมือบ่อยที่สุดตะ ก, กี้เนี่ยออกไปน้ำมามันออกไปพ่อชนะไม่มีเพราะเรารู้ว่าเราตานไม่ดีใช่ไนมไม่จะพาพ่อชนะแล้วก็ทษสอบอเดินกลับไปบ้านแต่ว่าเดินเหนื่อยหมหเป็นเก้าอยู่เนี่ย อัลลอฮฺเป็นอันกับชีวิตของมนุษย์มีอุปสรรคนั่นต้องขอบคุณอัลลอหฺต้องอัลฮัมดุลิลลาห์บิ้ทั้งหมดโม่เช้าโม่คืนมีนักเรียนโทร ศ, ศัศพท์มาสิบเก้าสนุบทฐานอายุสามสี่สิบแล้วมีอุปสรรคเยอะอดทนอ่เอออาจารย์ว่าอดทนในใจมาเต็มเลยอัลฮัมดุลิลลาห์กลวจะแนะนําอย่างอื่นไม่มีแนะนําอย่างอื่นไม่มีไม่มีแนะนํานนนให้ด่าคนไม่มีให้อดทนอย่างเดียวเลย เหมือนใครครับเหมือนนบีอิบราฮิเหมือนนบีมุฮัมมัดเหมือนนบียูซุฟเหมือนนบีอัลลออักบดอดทนอย่างเดียวเวลาเจอปัญหาเนี่ยอย่าโวยวายครับท่านหญิงก็ดี呀ไอ้ท่านหญิงไอ้อิ่าถูกด่าใช่ไหมอดทนพัะนาบุบักมีพวกเปล่านักเลงเต็มไปหมดเลยเฮ้ยนั่งเฉยๆนั่งนั่งนนี่อิสลามพอะอันกุรอานมาถึงตรงนี้เราก็นึกอัลลอฮอักบยู่ลแล้วขอบคุณอัลลอเอาต่อมาครับ ว่าอินชานูกริควุม ف ل, ص ل, ل ا ص ริขาลุมว่ลาหุมยุงกอรูน <ون> ว่ลาหุมยุงกอรูเนี่ย <ون> ไม่มีผู้ใดช่วยให้รอดได้ด้วยไม่มีผู้ใดช่วยให้รอดนะบนดุนยาเนี่ก็ไม่รอดถ้าไม่เอาอยาลืมนะเองก็ตาย <laughs> นึกว่าตายจบเลยไม่จบ ตายถูกอีกอ่ะถูกแค่แบกใส่โล่งเั้งนั้นแหละเองอ่ะรอร้องตะโกนตะตายอยู่แล้วฉะนั้ น, าย อ, ยนอาวุธใจโยงอัลลอฮ์เยอะๆนะเอาอายะสุดท้ายอิลลัลอฮ์มัตต์มินนาอัลลอฮ์ดีมากวะมาตาอันอิลัย อิลล่าร่ำมะตามินนาวมะตาณอิลลาฮีนอิลลาแปลว่าเว้นแต่รหำมะความอะไรความเมตตามินนาจากใครจากเราจากอัลลอ์ที่เอ็งอยู่ได้วันนี้น่ะเพราะความเมตตาจากอัลลอ์ที่มานั่งฟังตัปซีได้น่ะความเมตตาจากอัลลอ์ ที่นอนหลับเมื่อคืนนี่เราก็ตื่นมาเนี่ยอลัลลอฮฺเมตตาคุณคือสํานึกม้างหรือเปล่านอนกอดเมียมาคืนนี่น่ะสำนึกอะไรบ้างอะอัลฮัมดุลิลลาฮฺอิลลัลรอฮฺมัตัมินานั่งในเรือเรือไม่จมเนี่ยเพราะความเมตตาของอัลลอฮฺนั่งเครื่องบินไม่ตกนี่ความเมตตาของอัลลอฮฺนั่งอยู่บนสัตว์บนรถเนี่ยเป็นความเมตตาของอลัลลอฮฺทั้งหมดนั่นอย่าลืมฉันต่อมาครับ ว่ามาตาอันและเพื่เพลินมาตาแปลว่าเพื่เพลินกี่วันอีลาหีนชั่วคราวชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองความสุขบนดุญยานี้แป๊บเดียวใช่หรือไม่ใช่นี่เตือนเราเตือนสติเตือนนบีม u h มัดน d สอนพวกอาหรับมุชลิกที่แอนตี้ทิดาท่านนั่นแหละ โรคดุดยาไปนี้สัน้นนิดเดียวและความสุขที่คุณได้รับเนี่ยแป๊บเดียวอ่ะเอา้านอนร่วมหลับนอนกับภรรยาแป๊บเดียวจบแล้วอะไรเหลือเพียนอนอโลอ ไ, มมไม่มิไม่มีแรงเห็นไหมความสุขแป๊บเดียวหมดเลยนี่เตือนสติคนที่อ่านคนอ่านอย่าหลงดุดยาอย่าหลงผู้หญิงอย่าหลงเงินอย่าหลงชื่อเสียงเกียรติยศตําแหน่งที่เอาล้อให้ชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวหมดเลย ให้เพื่อทดสอบอได้เงินไปทำอะไรอล๋อดูมันสู่อยู่แต่ลคนนี่ดีจริงๆอัลฮัมดุลิลลาห์ไอ้คนนี้ได้เงินไปพองแฮได้พองๆนะ่ะผ่านไม่ล่ะนึกถึงใครกอรุนอํานาจฟาโรแล้วเป็นไงครับจมนมตายจมแล้วจบไหมไม่จบถูกเล่นงานต่อเอง อิลลัลรอห์มัตตามินนาวัมมตาอันอิลลัยน์เว้นแต่ด้วยความเมตตาจากเราเท่านั้นและเพลิดเพลินชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองโลกดุนยาไปนี่เรามองดูมันพันปีสองพันปีหมื่นปีแสนปีก็ตามนะ พอตายแล้วฟื้นมายืนอยู่ที่ทุ่งมาชัดอลัลลอถามว่ากัมละบิสตุมคุณใช้ชีวิตอยู่บนดุยาเนี่ยนานเท่าไหร่ยาวมันเอาบาตอยามครึ่งวันเท่านั้นเองผมฟังอามัดลาเพื่อนผมมายานบะยานสองนาทีดุญญายาในแค่สองนาทีเองหลงทำไม อ, อัลลอันนั้น เอาเวลาแค่สองสามนาทีเนี่ยหรือชมองศ์สองชมงเนี่ยวักกลับตัวให้อร่อยเลยไม่ดีกว่าฉันทํางานศาสนาของอรรถตลอดทั้งชีวิตของฉันเนี่ยดูแลลูกดูแลภรรยาทั้งหมดทำมาเพื่ออลรรถหมดเลยให้ลูกทุกคนให้ภรรยาทุกคนให้ตัวเราพี่น้องเราอยู่อรรถให้หมดเพราะมันชั่วคราวมาต้าอีลาฮีความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองนบีอธิบายไงรู้ไหม เอามือจุ่มไปในทะเลใช่ไหมสบายเดินตามในบีเห็นอย่างให้ยังที่ติดอยู่ที่ปลายนิ้วอะไรน้าในมหาสมุทรใช่ไหมเยอะไหมนิดเดียวนั่นปจัจจัยดุลยายาหลงอาคิเริลอน้ำในมหาสมุทรหมดเลยท่า น, นนึกถึงอาคริลอน้อยๆอย่าหลงดุลยายทีติดที่ปลายนิ้วแล้วก็ล้อก็พูดอีกใ ย, ยมแมลงมุมใช่ไหมโลกดุลยยาใบนี้เป็นอะไร มแมลงง ม, มโลกดุนยาใบนี้เป็นอะไร <L ưng> ลืมไปแล้ว อ, อย่างนี้เปื่นตวนใช่ไหม <L ưng> เป็นมแมลงง ม, มบ้านแห่งหลอกหลอกลวงแล้วก็อะไรนะ <L ưng> <L ưng> เราเรียนแล้วนะนะลืมไปแล้วได้ <L ưng> <L ưng> มแมลงง ม, มแล้วก็อะไรอภิยุ่ง โรคดุลยาบนี้แค่ปกยุ่งแค่แมลงมุมย้ายแมลงมุมโรคแห่งการหลอกลวงงนีเตือน้อสลอดเวลานยั่วลงยั่วลงยั่วลงยั่วลงยลง س ب ح ا ักาหูมะวบฮัมดิกะอัลลอฮฺว่าลัละอิลลัลอันตะอัสตฟุรกาวะตูบอิลยวัสลัลลอฮะลามุฮัมมัดวะลอลัยวัสซับฮีอัจมัยุลฮัมดุลิลลาฮิรบบิาอลมนาน